วันนี้เป็นวันที่10ทธันวาคมพุทธศักราช2558วันนี้เป็นวันพระแรม15ค่ำเดือน12เป็นวันพระใหญ่แต่พวกเราพุทธศาสนิกชนวันนี้พวกศรัทธาญาติโยมลูกหลานาลุงพ่อเห็นแล้วก็อบอุ่นอุ่นหนาฟ้าขั้งคล้ายๆกับว่าพวกเราตื่นตัวในการทำบุญในวันพระ แต่ตามไม่จริงก็น่าจะเป็นอย่างนั้นอย่างศาสนาอื่น เ, เ, เขาทําวันหนึ่งตั้งหลายครั้ง เ, เขาเคารพถึงพระเจ้าของของเขาแต่ละศาสนาแต่พวกเราในพุทธศาสนาเนี่ยกระชนห่างเหินทางวัดวาศาสนาเกินไปก็ไม่น่าจะถูกต้องนะหลวงพ่อว่านะเพราะหลวงพ่อพูดในฐานะพระสงฆ์เพราะว่าพระสงฆ์อย่างหลวงพ่อเนี่ย อยู่ในพระพุทธศาสนาตั้งแต่อายุ1 1 1 2ปีมาอยู่ถึงขนาดนี้แล้วพ่อเนี่ยฉันมือเดียวอีกต่างหากที่บอกอยู่ในพระพุทธศาสนาผมยันขอให้พวกเราคณะสัตย า, า, า, าติโยมลูกหลานทุกคนก็ควรจะใฟในการศึกษาใฟในการประพฤติปฏิบัติธรรมในการประพฤติปฏิบัติธรรมเราต้องหนักแน่นเราต้องหนักแน่น ไม่ใช่ว่าเราได้ยินพระองค์นั้นไม่ดีพระองค์นี่ไม่ดีเป็นอย่างงุนอย่างนี้เราก็เลยพลอยพลอยหูเบาไปด้วยแต่ตามไม่จริงเรื่องของใครก็เรื่องของเรากรรมคือการกระทาถ้าเราเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมแล้วถ้าใครทำกรรมอันไหนไว้กรรมนั้นก็จะตามสนองของเขาเองถ้าเราทำกรรมไม่ดีกรรมของเราคบจะไม่ดีเพราะนั้นเห็นว่าเขาเป็นคนไม่ดีเขาเกเร เขาเป็นคนไปหาเงินหาทอง เ, อเขาไม่หาทำมาหาเลี้ยงชีพเราก็พลอยขี้เกียจไปด้วยเราก็ไม่อยากจะเลี้ยงชีพเลยเกเรไปและความทุกข์มันอยู่กับใครแ่ไมันมาอยู่กับเร า, เาแต่ละคนเหมือนกันเพราะนั้นเขาเกเลเขาไม่คนเป็นคนไม่ดีเราก็จะไปแซงเข า, เ, าเราก็กลายเป็นคนไม่ดีอีกอย่างเขาไปอีกอย่างนั้นก็ไม่น่าจะถูก เพราะนั้นเมื่อเขาเป็นคนไม่ดีเราควรจะเป็นตัวอย่างเออดูดูซิพระองค์นี่นะออโยมคนนี้นะดูซออิมันไม่เป็นตัวอย่างในทางที่ดีเลยเออทำยังไงทำอย่างนี้ได้เพราะาหลักธรรมคำสอนของพุท ธ, ธะพระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างไรท่านไม่ได้สอนอย่างนี้แต่ทำไมพระองค์นี้ทำทำไมคนคนนี้ทำ ข้าจะไม่ทําำเมื่อเราเป็นพระแล้วก็เราจะไม่ทําอย่างพระองค์นัทถ้าเราเป็นโยมเราก็จะไม่ทําเหมือนโยมคนนี้เอเราจะเป็นคนดีอไหนดีรู้ไม่ดีถ้าเรารู้ดีรู้ดีรู้ชั่วแล้วก็เราก็ควรจะเดินในทางที่ดีในทางที่ถูกต้องอไม่ใช่ว่าเอาเขาเป็นคนชั่วแล้วก็จะเราไปแซงความชั่วของเขาเข้าไปอีก กลับไปดูถูกเยยดยามทำไมมึงเป็นหมาทำไมมึงเห่าคนทำไมมึงไม่อาบน้ำทำไมมึงมีงมกลิ่นตัวเหม็นทำไมมึงเป็นหมาขี้เลื่อนอย่างนี้หมาทาไมเป็นก็ไปบ่นให้มันอยู่ตลอดตัวเองก็เลยไปคอยพลอยเป็นนิสัยต่ำซามไปเป็นหมาไปด้วยทีแต่ตัวเองเป็นมนุษย์อยู่แต่ว่าจิตใจมันเป็นหมาก็ายเพราะเราไปพูดแต่เรื่องของหมาเพราะนั้นเราก็รู้ว่าหมาก็คือหมา เราก็คือเราเพราะนั้นเราต้องแยกแยะให้ออกเราเป็นพุทธศาสนิกชนพระพุทธเจ้าให้ใช้ปัญญา เ, เมื่อโลกตนนี้มัน ม, ม, มีมีมากหลากหลายถ้าหาว่าเรารู้ว่าใครไม่ดี เ, เราก็ตำหนิใช่อันนั้นเป็นตัวอย่างที่ดีเป็นตัวอย่างหนึ่งสำหรับเราเราจะไม่ทำอย่างนั้นนี่แหละพวกเราท่านทั้งหลายน่าจะเป็นอย่างนั้นนะอาณาจัตยาญาิโจมลูกหลาน ไม่ใช่ว่าตำนิติฉินคนที่ไม่ดีแล้วก็ไม่ปร ะ, ประกอบคุณงามความดีตัวเองเลยกลับเป็นคนเลวไปใช่อีกอย่างนั้นก็ไม่น่าจะถูกเพราะนั้นให้พวกเราคนดีก็เป็นตัวอย่างในทางที่ดีคนเลวก็เป็นตัวอย่างหนึ่งข้าจะไม่ทำข้าจะไม่ทำอย่างนั้นอย่างคนเลวทำเราจะไม่ทำเราจะทำตามแนวแถวของพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ตามแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านแนะนาแนะแนวบอกกล่าวให้กับพวกเราประพฤติปฏิบัติตามไม่จริงพวกเราน่าจะคิดอย่างนั้นนะมันจริงจะถูกแต่แตามไม่จริงอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวว่าวันพระหนึ่งกับพวกเราก็ควรจะใส่ใจสดใจเข้าสู่วัดวาศาสนาอย่างน้อยกอ็ถึงจะไม่มาวัดวาศาสนาก็เถอะเราอยู่ในบ้านเราได้ศึกษาธรรมะ เราได้ศึกษาพระธรรมคำสอนของครูบาอาจารย์แล้วอย่างตรงพ่อแนะนำบอกว่าถึงวันพระแปดคำ่ำสิบห้าค่ำเราเป็นพุทธศาส น, นิกชนอา่าเราก็น่าจะมีดอกไม้ถูบเทียนแต่เราไม่จองจด ด, ดอกทูบเทียนดอกไม้เอาไปบูชาพระยิ่งพระจะบอกให้ลูกให้หลานได้รู้ว่าเอออันนี้เป็นวันพระแปดคำ่ำสิบห้าค่ำตอนเย็นเราก็ ขึ้นไปบูชาพระในห้องในห้องพระของเราอันนี้คืเป็นการประกาศให้กับลูกหลานพวกเราได้เรียนรู้ได้ศึกษาอปู่ย่าตายายพ่อแม่ของเราถึงวันพระแปดคำ่ำสิบห้าค่าท่านขึ้นไปไหว้พระในห้องพระอย่างน้อยก็ชวนเด็กเข้าไปเพื่อเป็นไหว้พระไปกราบพร ะ, ะกราบประหารสวัสดิ์ข้าตสุปฏิปโนอันนี้คือพุทธศาสนิกชน เราไม่ได้มองข้ามจากนั้นส่วนการปฏิบัติตัวของพวกเราถึงวันพระแปดขาสห้าข้าถ้าเป็นไปได้พ่อไหว้ไหว้พระกาพะตอนเช้าเสร็จแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานอธิษฐานคือว่าตั้งใจมั่นข้าพรเจ้าจะรักษาศีลวันนี้รักษาศีลห้าวันพระ8ปดขาสบห้าข้าแต่อย่างวันอื่นเราก็ปล่อยปลาละเลยไป แต่8ค่ำ15้าค่ำเราจะใส่ใจสําหรับตัวของเราข้าพเจ้าจะงดในการฆ่าทุกอย่างตั้งแต่ยุงตั้งแต่มดออข้าพเจ้าจะงดอาทินนาทานกาเมสุพิชชาจารย์มุสาข้าพเจ้าจะงดในการพูดปลดระวังคํำพูดในวันนี้เป็นพิเศษและก็ไม่ดื่มไม่ดื่มของมึนเมาในวันนี้นี่แหละหลวงพ่อเองอยากจะให้พวกเราพุทธศาสนิกชนผู้มีอายุ เอเป็นพ่อเป็นแม่ของลูกของหลานของเป็นตัวอย่างของลูกของหลานควรจะเนี่ยนะควรจะสมาทานสี่ห้าในวันพระแปดแปดคำ่ำสิบห้าค่าท่านพวกเราทำอย่างนี้ได้เป็นตัวอย่างที่ดีของลูกของหลานเป็นพุทธศาสนพุทธศาสนิกชนแต่แต่วพวกเราวันไหนก็วันเก่าไม่ได้ใส่ใจสนใจอันนี้แปลว่าเออ อย่างที่เขาเคยพูดเขาพูดมามากต่อมากว่า เ, าเป็นพุทธแต่ทะเบียนบ้านแต่ไม่ใช่เป็นพุทธในการประพฤติธปฏิบัติไม่ได้ไม่ได้เห็นคุณค่าเรื่องศีลธรรมของพระพุทธเจา้าเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะที่พุ่งพ่อได้พูดได้กล่าว อ, าออกไปเนี่ยให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านาใส่ใจสนใจในการประพฤติธปฏิบัติธรรม แล้วก็อย่างน้อยให้มีเป็นผู้ปีศินมีคุณธรมธรมศีลธรรมจริยธรรมที่ดีส่วนเรื่องจิตตภาวนานี่ยก็จะได้ขาดเรื่องจิตตภาวนาเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกๆ ท, ท, ท่านนะเรื่องจิตตภาวนาเนี่ยเป็นสิ่งจำเป็นสำคัญถ้าาว่าพวกเราทุกๆ ท, ท, ท่านวันอย่างวันพระ8ปดค่มสบห้าค่ำเยพยายามฝึกขัดนั่งสมาธิ นั่งสมาธิมันไม่ได้ยกคูยกคายอะไรตามแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเรามีแต่ไหว้พระสวดมนต์เสร็จแล้วก็นั่งพับเพียบก็ได้นั่งประนมมือไหว้พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พุทโธทำโมสังโฆซะก่อนจากนั้นก็พุทโธพุทโธพุทโธพุทโธนึกพุทโธในใจนะหรือหายใจเข้าพุทหายใจออกโธหรือพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธอะไรก็ได้ ไม่ต้องกำหนดลมก็ได้ให้พุโทโธอยู่ในใจวันละหนาที10บนาทีอันนที่ก็เป็นการฝึกฝนเข้าสู่จิตใจให้จิตใจของเราเป็นผู้มีคุณธรรมสีนธรรมจริยธรรมถ้าหาว่ามีอะไรเกิดขึ้นในจิตใจในที่มันคับขันหรือมันมีความทุกข์ในใจเราก็นึกพุโทโธพุโทโธพุโทโธในใจก็เป็นที่พึ่งทางด้านจิตใจส่วนหนึ่งเป็นเครื่องย็ดเหนี่ยวทางด้านจิตใจ ของพุทธศาสนากชนนี่แหละอันนี้ก็คือเมื่อเรามีจิตใจยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะเป็นที่พึ่งในจิตในใจอย่างนี้หลวงพ่อเองมั่นใจว่าพวกเราจะมีความสุขจิตในจิต ใ, ใ, จ, ใจลึกๆนะมีความจุคล้ายๆว่าเรามีหลักยึดในในใจของเราจิตใจของเราจะไม่ว้าเหอ้างวางเงียบเหงาซึมเศร้า เพราะเหตุไรเพราะเรายึดพระไตราสารณคมยึดพระพุทธทเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสาระเป็นที่พึ่ง เ, เรานั่งภาวนาและจากนั้นก็ค่อยกลาบไหวพ้พระหาที่พักที่ผ่อนต่อไปนี่แหละอันนี้หลวงพ่อว่าในการประพฤติปฏิบัติของพุทธศาสนิกชนพุทธบริษัทลูกศิษย์ของพระพุทธทเจ้าอย่างพวกเราท่านทั้งหลายน่าจะปฏิบัติ ต, ตนอย่าง ที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวนะจะเป็นสิริเป็นมงคลของชีวิตของพวกเราเานี่แหละการเป็นอยู่ด้วยการการประพฤติตนให้เป็นคนดีมีแต่ความสุขความเจริญนะลูกหลานนะอันัตธายาจโจมต่อเ น, นี้ไปพระสงฆ์อนุโมทนาให้พรรับพรนะทตนีนะอุทิศสวนกุศล่อยหน้า